อาลัยที่รอดิ้งอาลัยที่รอดิ้งอาลัยที่รอดี ولا يحيق المكر ا, أ ل إ س َ ئ ُ إلا بأهله َِ فهل ينظرون َ إلا ِ سنة الأولي فهل ينظرون إلا سنة ولن تجد لسنة الله تبديلًا ولن تجد لسنة الله ت ح و ي ل ً ل ن تجد لسنة الله تحويلًا พَายามดูยังดَ ي َอคَ่คือค่าคือค่าคือค่าคือค่าคือค่าِือค่ แต่ منهم قوة وما كان الله ليُعجِزهم من شيء وما كان الله ليُعجِزهم ِ ن شيء في السماوات ولا في الأرض في ا ل س م ا في الأرض. เศร้าไม่ทิ้งบ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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع ا ل عليم رضيت بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد ا ل رسوله اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء التبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف ن ي في بدني وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله و ب ح م د ه عدد خلقه و ر ض ا نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل ส a l a m u a l a i ร u m warahmatullahi wabarakatuh ความดีของ a l l a ที่เราเรามาเช้าที่บ้านของอ a ล l a h นะครับหรือที่มัสยิดของอลล l a h นะครับไปเนอะเพราะมัสยิดไม่มีเจ้าของเพราะลลอ a h เป็นเจ้าของใครที่บริจาคเงินสร้างมัสยิดก็อหวังรางวัลตอบแทนจาก a ล l a h นะครับขอบคุณ Allah นะที่เราใช้ชีวิตในเดือนละมดอนด้วยความนอบน้อมถ่อมตน ขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้นมาตเรวะนะครับปีนี้ก็นมาต่างคนต่างนมาที่บ้านก็หลายคนได้เป็นอิมาเหมือนห้ามดดีใจแต่หลายคนก็ร้องไหนะ้ที่ไม่ได้มามัสยิดนะครับเราอ่านคุรานที่บ้านนะครับเราสอนอิสลามกันในครอบครัวเราบริจาคนะครับเราให้อาลัย เราไม่เย่อหยิ่งจองหงต่อคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งอะไรเราก็พยายามปฏิบัติเท่าที่ตัวเองมีความสามารถจะปฏิบัติได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเราเนี่ยมานั่งทบทวนอูอารกันที่บ้านของอัลลอฮ์ที่มัสยิดเนี่ยอาทิตย์ละครั้รบทำไมต้องน้อยขนาดน้อยๆ น, นี่ ก, <c oughs> ก็ทุกคนมีภาระนะนะ ถ, ถ้าฟังอย่างอื่นเนี่ยมันสนุกกว่าฟังทัซพราทุสเซตเนี่ยบางทีมันก็ทิ่มตัวเราเองก็มีแต่เราต้องน้อมรับคำสั่งของอัลลอฮสุบฮานาหูวาตาละเราทบทวนกันมาเนี่ยยี่กี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบห้าปีแล้วเพิ่งจบซูรอที่สามสิบ้าถ้าเราจำหมดนะเราได้ความรู้เยอะมาเนี enemies, ่ย <laughs> จำเลยนะแล้วก็นํำมาไปไปฏิบัติด้วยแล้วก็พูดด้วยนะจำดีวันนี้นะครับมีอ่านกันแค่สามอายะจบสุรองฟาติสคําว่าฟาติสเนี่ยต้อรู้ความหมายบ้างนะฟาติสแปลว่าเนรมิตเราสร้างโลกไปนี้มาสร้างมนุษย์สร้างสัตว์สร้างต้นไม้ไม่มีแบบไม่เคยไม่เคยลอกเรียนจากใครเลยมีแต่มนุษย์นะลอกเรียนแบบเออว่า สร้างกุ้งอัลลอผมผมนึกถึงกุ้งเยอะไส้มันพุงมันอยู่บนหัวแต่นี่ไอไส้มันพูงมันนี่นะหรือว่ากระเพาะอาหารของมนุษย์นะกับสัตว์ทุกชนิดอยู่ในท้องใช่ไหมละ่ะตรงนี้แต่ของกุ้งเนะี่ยเอาไว้บนหัวนี่ใครออกแบบสวยอย่างงี้นะอัลลอฮอักบัร ขอบคุณอัลลอ์เวลเราทานอาหารเวลาราทานกุ้งี่ต้องนึกด้วยนะอย่า ก, กินกระเพาะมันนะเพราะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยแต่ไม่ถึงกระตายหรอกนะจนก็เอาเอาข้างบนน้าออกก่อนแล้วก็ทานอร่อยอ่านวิชมิลแล้วด้วยนะครับเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอ์ที่อัลลอ์สร้างโลกมานี่ไม่มีแบบไม่มีแปลนแล้วก็ไม่ได้ลอกเรียนจากใครเลยนะครับ ขอบคุณรอดๆนะครับที่เราได้ทบทวนกุรานมาวันนี้สามย่สุดท้ายของสุรฟาติสก็จบแล้วพี่น้องในสุรนี่ฟาติสนี่พี่น้องก็มีหลายเรื่องนะเรื่องสุดท้ายนี่ก็คืออัลลอ์ต้องการจะเล่าว่ามนุษย์มีสองกลุ่มตนนั้นแหละบนโลกใบนี้เนี่ยนะกลุ่มที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอ์กับกลุ่มที่เย่อหยิ่ง อา บ, บาวสตักบารอวากาในมิบบนัลกาฟิรีเยยิงจองของอวดดีแล้วก็ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์กลุมนี้นะเยอะบนโลกดุจยาไปนี้เราก็เห็นๆกันอยู่เนี่ยนะทีนี้อายะกุอ่านวันนี้นะส า, สาอายะนี่อัลลอฮ์ก็จะเล่าให้ให้มนุษย์ให้นบีฟังนะจะลืมนะกุอ่านเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้กับใครนะ ให้กับนบีมุฮัมมัดผ่านท่านยิบรีลอฮิสลามคนเดียวมามอบให้กับนบีคนเดียวคือนบีมุฮัมมัดสุลตานนะครับเอาวานนี้มาดูกุรอานนะครับสามอายะนะครับที่ฮาฟิซอิงรอนได้อ่านให้ท่านก็น้องฟังไปลฮมุลลิละอิสติกบารอฟิลอรุบวะมะครัสัย ولا يحيق المخرص إلا بأهلها، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنة الله تحرولا الله أكبر استكبر ا ا في الأرض و م ك ر ا ل سيء ولا يحيق المكر ا ل سيء إلا بأهله فلئن فهل ينظر น้าดาลิสุน n ะติลลาฮิต t ดบดิลลาวัลัาล Allah ั อิสติกบารอิสติกบารนี่แปลว่าขนองหรือโอหังของดีหรือของเลวขนองโอหังอวดดีตะกั บ, บุรเนี่ยเป็นสิทั่งัเป็นลักษณะของใครของคนคนประเภทนี้ดีหรือไม่ดี ตอบเองไม่ดีโอหังอวดดีเนี่ยไม่ดีนายะอยื่นอธิบายอีกอาบ่าวสตกวักบารอวกะนมินอลกาฟิรี น, นิสัชัยตอนอเนี่นยอาบาปฏิเสธนะครับอาบาวสตักบารแล้วก็เนี่ยเย่อหยิ่งจองหองอวดดีวกะ i นมินอลกาฟิรนเ์นนะแล้ออลกวก็ไม่เคยขอบคุณอัลล ตนนี้คนที่เอาลิ้นนิสัยของไซตตอนมาใช้เนี่ยมีเยอะมากมเยอะมากเลยเราเองบางครั้งก็เอาไซตตอนมาใชา้ทางครั้งก็าเป็นมุสลิมเนี่ยนะบางทีมันก็เผอตัวพอเผอตัวก็ต้องว่าไงอัลตาวิลล์รอารเผยไปแล้วแ่นี้ตรงกันข้ามกับคาว่าอิสติกบาตเนี่ยคือลักษณะของผูดสัตย์ทางต่ ในสุรอะฮฺซับเนี่ยสุรที่ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะน่าจะเป็นอายาที่สาสบสามหรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้นะเอาละลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ลักษณะของผู้ศรัทธาต่ AH, าออัลลอฮ์ AH มีอยู่สิบข้อเอาเอาแค่เอาสิบสิบข้าก่อนที่ตรงกันข้าวปลายยานี้นะนะหนึ่งมุหมินทําอะไรทุกวันทันวันนี้หนึ่งต้องอ่านคุรานงทุกวัน อย่าทะลุนะกิตาร์บนลอยนะอ่านคุณอ่านทุกวันสองยืนนมาทุกวันข้อที่สามบริจาคทุกวันทั้งที่รับและที่แจ้งข้อที่สีคอเสยชื่อสุอาฮ์ซับนะนอบน้อมถ่มตนตลอดเวลานอมนอบท่อมตนกับอัลลอฮ์ด้วยตัวท่านนบับมุลเมมาดด้วยต่อคําสั่งของอัลลอฮ์ด้วยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการเองด้วยนะครับนอบน้อมท่มตน ซอยมินเราถือสิ้นอดใช่ไหมวันจันทร์กับวันพฤหัสเราถือประจํานะครับเดือนอมอุอนนี่แน่นอนที่สุดนะครับไม่มีใครขาดนอกจากคนปว่วยวันมุสตักฟิรีนอายาอื่นนะครับมุมินเนี่ยต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ทุกวันอย่างน้อยหลังน้ำมาด้วยไงนะอัสตัลกุรุลลออัสตัลกุรุลลออัสตัลกุรุลลออัลลอฮ์ลลออนี่ยิ่งใหญ่แล้วก็นอกน้ำมาด้วยแหละ นอกนามานอีกนะครับต่อมาครับวัซซอบิรินมุมินต้องนึกตลอดเราต้องอดทนเพราะปัญหาเนี่ยมันมาตลอดนะครับบางทีเดือนนึงมาสองครั้งสามครั้งแล้วมาแล้วทําไงอะ่ะคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยอ่าคนนั้นเข้าโรงพยาบาลคนนี้มีปัญหาคนนี้ถูกดา่าถูกตำหนอิอ้อรอถ้าไม่อดทนทะเลกกาะกันใช่หรืไม่ใช่ เอาตัวอย่างใครเอาตัวอย่างนาบีหมดนบีทําหมดเลยนะอดทนนะข้อต่อมาครับวัลฮาฟีวีนะฟูรูยะฮุ่มต้องรักษาอาวัยวะเพศด้วยและผู้หญิงเนี่องประแต่งตัวกันตัวที่ของชั่วนี้ก็มีโควิดมามันปิดนะพอปิดแล้วก็สบายใจไปนิดนึงถ้าไม่ปิดเนี่ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะครับวัลฮาฟีวีนะฟูรูจะฮุ่มรักษาอาวัยวะเพศนะครับต่อมาครับ กั๊สปิดเอาหรอกปิดเอาหรมุสลิมกับคนกาเฟ่เนี่ยแต่งตัวไม่เหมือนกันมุสลิมนี่ต้องนอบน้อมทอมตนต้องแต่งปิดเอาลงเอาหรออัลลอฮ์ตลอดเวลาข้อสุดท้ายออฮก็สิบสข้อพอนะซาจีรินอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆจะออกจากบ้านนึกถึงอัลลอฮ์เข้าบ้านนึกถึงอัลลอฮ์ เข้ามัสยิดนึกถึงอัลลอ์จะขึ้นรถนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอ์ขับรถไปไปเจอคนรถชนกันกลางทางนึกถึงอัลลอ์เองอ่ะนึกยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอัฟาเนมิมมาบัตลาคาบีวะฟอบบลนีอัลาคาซีริมิมมันค้อละก็ต่ำตุละอัลลอ์จะไม่ให้เราประสบกับเหตุการณ์เดียวกันที่เราเห็นอ่านดุอาบอกในปั๊บอัลลอฮ์คุ้มครองเลย ถึงเรา จ, จนกว่าเราจะตายนี่ยิ่งใหญ่กันแน่นี้นั่นเล่าถึงลักษณะของผู้ศรัทธาต่อเรออยู่บนโลกนี้เอาเอาไปกระสิบปากานี้นะต้องพาติดตัวไปนะอยากเก็บไว้ที่บ้านแ่ะพาใส่ตัวไปด้วยนั่งถึงบินด้วยนั่งรถทัวร์ด้วยจักรยานด้วยต้องนึกตลอดเวลาชามต้องมีอย่างน้อยสิบข้อนี้นะครับเพื่อจะได้กล้าชิดกับรอเอามาดูลักษณะของคนที่ตรงกันข้ามกับผู้ศรัทธา อิสติกรบารองฟิลอารมีอิสติกระบารเรว่าขนองหรือว่าโอหังเย่อหญิ่งจองหองอธิบายภาษาไทยได้กว้างเยอะมากครับ<ะ>เย่อหยิ่งบนไหนครับฟิลอารมดีตามแผ่นดินเห็นไหถ้าไปเย่อหยิง่ง บ, บนชั้นฟ้าก็เชิญเป็นดวงดาวหนาก็เชิญ น, นะครับนี่รบุแผ่นดินของอัลลอฮฺอันนี้ห้ามนะ S 1> <S 1> แต่ว่าคนตรงกันข้ามเนี่ยเย่อหยิงจองของบนแผ่นดินของอลัลลอฮ์ไม่สุอยูต่ตออัลลอฮ์เนี่ยก็เย่อหยิงแล้วนะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ก็เย่อหยิงกินอาหารของอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอลัลลอฮ์เนี่ก็เยอ่อหยิงอัลลอฮ์ให้ภรพรยามาอยู่ในบ้านคุณไม่เคยขอบคุณอลัลลอฮ์สักคำเลยเนี่ยอลัลลอฮ์ให้ฉันมาเนี่ยบางคนนึกว่าฉันจ่ายมาฮัตแล้วนะ่ะตำล้านสองล้านแสนสองแสน ม, มาจองขอบคุณใครแล้วเนี่ย ทาไม่ขอบคุณออลลอฮียกว่าไร น, นะอิสติการอนเข้าบ้านไม่ขอทุอาอิสติกบารอนออกจากบ้านไม่ไม่ไม่ขอดุอาอิสติกบร อ, อบนออออรนี่เอานิสัยอักลากรคนชายตอ น, อา น, นอมาใช้บ้างธรมโดยอลัลลอฮฺนี่ให้ความรู้กับเราเปิดสมองเรานะจะนั้นอยู่อย่ายอยู่บนโลกดุนยาไปนี้เอานิสัยชายตอนกาคนกาเฟตอิสติกบารองฟิลอารด ขนองโอหังตามแผนดินเรื่องที่สองนี่เรื่องชั่วหมดเลยนะว่ามาัครรสไซมัครโรไปว า, วางแผนการวางแผนทั้งหมดนี่นะแล้วก็อัศัยแปลว่าแผนชั่วการวางแผนชั่วเนี่ยต้องการจะอธิบายอย่างนี้หนึ่งวางแผนชั่วดาอิสลามสองวางแผนชั่วทาลายสุนนนาบีทาลายนาบีมุฮัมมัด วางแผนชั่วทำลายอลัลกรุรอานทำลายไม่ให้คนสนใจอิสลามนี่วางแผนชั่วหมดเลยก็จะมีการอบรมกันมาขวางยาจัดยาจัดยาจัดนะครับถ้าเอาดนตรีมาได้เลยได้เลยได้เลย <c oughs> นี่เขาเรียก่ายสุดดูนะอันซาบิลิละมากขัดขวางงานศาสนาของอัลลอฮ์ทั้งหมดเรียกว่าวางแผนชั่วหมดเลย ใครจะวางแผนชั่วที่ไหนก็ตามถามอัลลอฮ์รู้เลยไม่รู้รู้เลยครับอัลลอฮ์ว่าสั้นวางแผนชั่วในหนึ่งทำลายอิสลามเข็นฆ่าพีน่น้องมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยที่เขาไม่มีความผิดวางแผนทำลายสุนนนะบีวางแผนเรื่องชั่วชั่วหมดเลยนี่นะกี่เรื่องแล้วเนี่ยสเรื่องแล้วนะี่อิสติกบ์ลองฟิลอาร์ี ขนองโอหังเยาะยิงจองหนตจองของบนแผ่นดินของรอบแผ่นดินนี้วามักคารสยแล้วก็วางแผนชั่วคนที่วางแผนวางแผนชั่วทำลายอิสลามถามว่าอิสลามถูกจะถูกทำลายไหมพูดได้เต็มปากนะไม่ถูกทำลายไม่ถูกทำลายต้องมั่นใจเลยนะไม่ถูกทำลาย ถามว่าตั้งแต่น บ, บีมอมมันสอนอิสลามมานี่คนวางแผนชั่วทำลายอิสลามมีไหมละ่ะเยอะมากเดมักกาเนี่ยเต็มเลยในเะบดี น, นาก็ามีเรียกว่ามุนาฟิกเรียกว่ากาเฟรียวกับมุสลิมเรียกได้ห ม, มดนั่นแหละถามว่าอิสลามเนี่ยถ้าถูกทําลายเยอะๆอันนี้มันน่าจะลดน้อยลงกับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮฺสัญญาในคัมภีร์คุณอ่านบอกว่า สายดูลูนาฟีดีนิลาฮิอัฟวาจะนบีทำหน้าที่สอนไปหลังจากนบีสอนไปแล้วสวฮบาะสอนไปสุฮบะหมดไปแล้วมีตาบีอินสอนต่อตาบีอิกตาบีอินสอนต่อแล้วก็ตัวแทนของบรรดานบีอย่างพวกเราวันนี้นะที่ทำงานศาสนาก็นเนี่ยทำงานศาสนาต่อไป พันมีหน้าที่ทํางานศาสนาของอัลลอฮ์นะแล้วก็เอารางวัลจากอัลลอฮ์อย่าเอาจากมนุษย์แล้วก็ศาสนานี้มันจะเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญเจริญเจรสยัดฮูลูนอฟีดีนิลลาฮิอัลลอจ้ามุฮัมมัดเขาจะได้เห็นเนี่ยผู้คนเนี่ยเข้าหาศาสนาของอัลลอฮ์ไหมไม่เรียกว่าอิสลามด้วยนะสายัดฮุลูนอฟีดีนิลลาฮิ มนุษย์เนี่ยจะเข้าหาศาสนาของอัลลอฮ์แบบอัฟวาจะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอัลลอฮ์รับทีพันคนมีไหมมีครับรับทีละร้อยคนมีไหมมีครับในโลกนี้อัลลอฮฺอัฟวาตมีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นหน้าที่ของเรานะช่วยกันทำงานศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละน้ำหมายครบห้าเวลานี่แหละ อ่านคุรุอ่านสม่ำเสมอซึกรุลละสม่ำเสมอให้อภัยคนแล้วก็อดทนเยอะๆไปน้องอัลลอจะให้อิสลามได้เจริญอย่าเอานิสัยอัครา ข, ของคนกาเฟ่เยอะยิงจองหองอย่าเอามาใชา้อย่าวางแผนชั่วการวางแผนชั่วใช้อิสลามเสียหายนะไม่เสียหายครับถ้าคนทั้งโลกนี้นะไม่มีใครรับอิสลามเลยนะอิสลามอยู่ได้ไมได้ อัลละยังอยู่ได้มั้ยได้สุนนนาวียังอยู่ได้มั้ยได้ไม่มีอะไรเสียหายเลยครับคนที่เสียหายนะใครอ่านอุคุร์อันต่อไปว่าลาใหญ่ให้คุลมักครุษไซอูอิลลาบิอัลฮิอิลลาบิอัลฮิอัญานี้เตือนคนที่วางแผนชั่วทั้งหลาย ทำลายอิสลามอิสลามไม่ถูกทำลายวางแผนฆ่านาบีนบีไม่ถูกฆ่าจะวางแผนทำลายมุสลิมมุสลิมอาจจะถูกฆ่าก็ไม่มีปัญหามุสลิมถูกฆ่ามุสินถูกฆ่าเราไม่มีความผิดนะแต่เราถูกฆ่าเราตายอะไรนะตายชดใช้สบายใจครับพี่น้องอาทินี้มาดูคนที่วางแผนชั่วนะวันวางแผนชั่วทำลายอิสลามได้ไมไม่ได้อาญาใ น, นเตือนเลยครับ ว่ลาล้ย่าให้กู้ให้กู้นี่แปลว่าลอ้อมห้อมล้อมความชั่วที่เขาทําลายนี่นะนึกจะทําลายคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั่นไอ้ความชั่วที่เขาวางแผนนั้นนะ่ะห้อมลอ้อมใครห้อมลอ้อมตัวเขาเองมัครุษย์แปลว่าการวางแผนชั่วชั่วนั้นไม่ลอ้ลอมล้อมใคร อิลลิอาลีนอกจากเจ้าของมันเองตัวมันเองสบายใจมหมเปิดหูแล้วเปิดตาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อลัลล์ดูแลแทนพวกเราวันนี้ใครวางแผนทำลายอิสลามเขาไม่สามารถทำลายอิสลามได้การวางแผนชั่วของเขาตกกับตัวของเขาเองจะช้าหรือไวอีกเรื่องหนึ่ง คนที่เหยียบกุณอ่านคนที่เผาอัลกุรอานนี่ข่าวมาจามาเลเซียทั้งหมดนะเมืองไทยมาเอาออกหรอครับจากมาลเลเสียทั้งหมดบางคนนี่นะ่ะด่ากุาณอ่านเหยียบกุรอ่านเผาคุณอ่านน่ะนอนอยู่โรงพยาบาลนะ่ะตัวเหม็นเข้าคนเข้าใกล้าไม่ได้อะแล้วคนที่ส่งไลน์สอมเฟ็มาติดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าขออุดมอลัลลอฮ์ให้เหม็นตลอดชาติท่ยังครับ เห็นอย่างใ น, นจนันทคนคิดแต่ทำลายอิสลามอย่าไปคิดเลยพี่น้องไม่สำเร็จการทำลายวางแผนชั่วนั้นตกมาหาคนที่ทำลายเองเห็นอย่างครับนี่คุรอานอธิบายชัดเจนเลยครับว่าอย่าให้กุลมักรุสไอยูอิลล์บิอาลีพี่ต้องจำอาย่านี้ให้ดีนะจำอาย่านี้ให้แน่นนะครับ ย right. ่าให้อ <ue>. ัลมัครุไซแปลว่าการวางแผนชั่วลาอย่าให้กูไม่ได้หอบล้อมผู้ใดอิลานอกจากบิออลีฮีตัวของกู้วางแผนชั่วเอออัลลอฮฺอักุฟารนอุบิลลาขอต่าตอร้อเลยแล้วอย่าวางแผนชั่วทำลายใครเลยเข้าใจง่ายนะคนอ่านเข้าใจง่ายนะมันจะสับสนนะเอาต่อมาครับ ฟ้าฮัลยังซุรุนอัลลอฮฺอักบารตรงนี้ดีมากนะครับอัลลอฮฺอักบารฮัลยังซรุนยังรบะว่ารอคอยคนที่วางแผนชั่วนะครับไอแผนชั่วนั้นกลับมาหาตัวเองนะเมื่ อ, อไรคุณอ่านอธิบายต่อยามซุรุนให้เขารอไป ไม่ช้าก็ไวถึงแน่ๆไม่ช้าก็ไวยังรูรู้แปลว่าเวทตินรอไปรอไปก็ด่าไปเรื่อยๆก็ได้ไมีปัญหาเาก็วางแผนทำลายไปเถอะด่าสุนนนาบีด่านาบีมุฮัมมัดด่าอัลกุร آن, า AH. อานด่าอัลลอฮ์ก็มีนักการเมืองเราคนอย่างตายไปแล้วนะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สิบโอมก็ช่วยไปเถอะอัลลอฮ์อัลกุราน ตายไปแล้วน ะ, ะมีปัญหาเรารู้รู่นกัมีใครแต่เราไม่เอ่ยชื่อจมฉะนั้นรอไปนะยังรุ่นคนที่วางแผนช่วนะนะฝ่ายยังรุ่นใหเขารอเข้าไปนะครับอัลลอฮฺอักุรรนั้นผู้ใดที่วางแผนชั่วดังนั้นพวกเขาคอยนะคอยอะไรนะคอยอันเขาก็ไม่คอยอันใดเป็นคำาถาม เขาคอยหรื อ, อแน่นอนเขาต้องคอยอยู่แล้วแหละเพราะอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษแบบกระทันหันนี่เป็นสุนนะเป็นแบบแผนของอัลลอ์ใครที่ไม่บวชมันจะลงโทษหลังบวชไม่มีครับรอไปอีกห้าปีสิบปีหรือใกล้ๆจะตายนู่นแหละหรือไม่ก็รอให้ตายก่อนอัลลอ์ลงโทษที่ไหนตอนยักษส่ซโล <laughs> พอใส่ลงปับ๊บพอแบกปับ๊บเองจะพาฉันไปไหนอิละไอนายยาฮบาบูนะบิฮ่าจะพาไปไหนนี่นบีเล่าให้ฟังเองคนที่วางแผนชั่วนะทำลายอิสลามนี่ยนะพอจับใส่ลงปั๊บนี่นะครับเอาเลยแล้วคนที่มันจะวางแผนชั่วนอบน้อมถ่อมตนอิสติกฟาดขออภัยโทษนมาธาเวลาถือศีนอดให้อภัยอดทน พอจับใส่โรงปั๊บกอดดิมูนีแปลว่าอะไรจงรีบพาฉันไปไปไหนไปฝังที่กูโบไวไวภาษาต่างกันมไหมล่ะ <c oughs> เอัแบบนั้นอ่านุอูอานอนุนีเป็นครับอิสลามไม่สามารถจะทำลายได้ คุรานไม่สามารถจะทำลายได้สุนานะนบีไม่สามารถจะทำลายได้คนที่คิดวางแผนทำลายกุรานทำลายนาบีมุฮัมมัดทำลายสุนานะนบีทำลายอติได้ของอิสลามอีมานหข้อและอิสลามอีกหข้อนี่นะคนวางแผนทำลายเองจะถูกลงโทษเองตอนไหนครับยังรู้รอไปรอไปไอรอรอนี่หลายๆลายคนนะ นนะเป็นความโปรดปานนะไอรอเนี่ยเป็นความโปรดปานนะบางคนสํา น, นึกตัวมีไหมมีหันมาเรียนาศาสนากับเนื้อกับตัวไปหาอลัลลอฮ์มีไหมมีเยอะครับบางคนก็ดันทุรังคำว่าอิสรอมดันทุรังต่อต้านอิสลามต่อไปเองเจอแน่ๆไม่ช้าก็ไว อิลลซุนตะอาววะลินนอกจากแบบแผนที่ได้ถูกลงโทษมาก่อนแล้วอาววะลีนหมายถึงอ่ะคนที่วางแผนชั่วทั้งหมดนี่นะอาววะลินในยุคคนก่อนๆอวันมันยุคก่อนๆยุคก่อนหน้านบีมุฮัมมัดเช่นน้ำสมัยนบีอีสานาบีมูซานาบีฮารูนนบีนุฮันบีอิบรอฮีอะไรก็ตามแต่คนที่วางแผนชั่วทั้งหมดมีใครรอดสักคนไหมล่ะ รอดไหมฟาโรห์รอดไหมกอรูนรอดไหมฮามานรอดไหมไม่เคยรอดสักคนหรอไแต่ว่าก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษอัลลอฮ์เมตานะส่งนบีมาสอนก่อนเองเปลี่นซะเปลี่ยนซะเปลี่ยนซะเปลี่ยนนิสัยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเลี่ยนเปลี่นเลี่ยคนที่เปลี่ยนหรืฮามดุลิลาปลอดภัยคนไม่เปลี่ยนคนดานทรังเองถูกแน่ๆนะครับเอาต่อมาครับ ฟาลันตาจีดาลิสุนนติลาฮิตาบดิลาแล้พูดสองครั้งด้วยนะ <c oughs> การลงโทษมีแน่แน่แน่แนพูดสครั้งอดูดูสับฟาลันตาจดาท่านจะไม่พบบวกกับนบีนะท่านจะไม่พบว่าสุนติลาฮแบบแผนของอัลลอ์นั้น ตา บ, บดีละเปลี่ยนแปลงท่านจะไม่พบว่าสุนนะของอัลลอฮ์หรือว่าแบบแผนของอัลลอฮ์หรือว่ากฎที่อัลลอฮ์วางไว้นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เ, เรื่องการลงโทษคนที่ใส่ร้ายอิสลามดูถูกอิสลามดูถูกอัลลอฮ์เยียดย้ำอัลลอฮ์ดูถูกอัลกรุรอานดูถูกสุนนะท่านนาบีเขคนข้าพี่น้องมุสลิมทั่วโลกถูกแน่ นอกจากตาว่าตัวถ้าไม่ตาว่าตัวนี่เป็นศุนยหน้าของอัลลอ์นะทำลายมาหมดแล้วยุคก่อนโขนนั่นนะ่ะเองยังดันุรังอีกหรือเอาเชิญเถิดดันพลังกาต่อสภายใจไปไนะ้องเป็นมุสลิมให้มันดีเถอนะดูแลตัวเองอย่าไปดูอย่าไปตำหนิคนดูตำหนิตัวเองนะนะดีกว่านะครับเอาต่อมาครับ วันท่าจะได้สุนนติละฮิตัฮวีละและสูเจ้าและท่านนะนบีจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงในระบบของอัลลอฮ์นะครับคำว่าตาฮวีละกับตาบดีละสับเหมือนกัน อ, อย่างตาฮวีเนี่ยเปลี่ยนกิบลัดจากไปตุลมักดิสมาที่อะไรนะกาบะเค้าเรียกว่าตาฮวีเหมือนกันอ่า ฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนบีเคยหันหน้าสุญูดไปทางอัลอาคซอใช่ไหมล่ะประมาณห7เจดเดือนนบีก็ขอว่าอัลลอฮ์จะอยากได้กิบลาเป็นของตัวเองเอลัลลอ์ก็หันห้ามาหันมาทั้งกะอบาบะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าตหวีลาเหมือนกันแล้วก็ตับดีลบาเติลเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนแปลงอ่ะใช้ศัพท์คำเดียวกันฉะนั้นสุหน้ของอัลลอ์ที่ว่าใครที่ขวางอิสลาม ตั้งแต่ยุคแรกถูกลงโทษหมดฉะนั้นซุน่านาบีซุน่าของอัลลอฮ์ตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยกเลิกไม่มีครับดีได้ไม่ดีอัลลอฮ์อักุบะตกลงว่าอิสลามทําลายได้ไหมพูดได้เต็มปากครับไม่มีใครทำลายอิสลามได้แล้วคนทําลายอิสลามนะครับอัลลอฮ์รอรอเดี๋ยวรู้สึกด้ว ปรากฏมาดูสึกแล้ว น, นั่นก็รควันนี้มันโรค โ, โรคโระบาดโรคโควิดมาโอ้ลุงนบีอลัลลอฮยังไม่เว้นใช่หรือไม่ใช่อับูละฮับอบูจาฮันเว้นนี้ไม่เวน้นไม่เว้นน่ะที่สอนให้เห็นน่ะสอนให้เห็นน่ะลุงนบีเองก็ไม่รอดอับูละฮับตับบัยาดาอบีละฮ บ, บอวาตบะ คุณอนานญาณนี่เตือนมาจะมาเตือนพวกเราที่อ่านคุณอานนะลุงนบีที่ขวางอิสลามขวางนาบีมุฮัมมัดขวางหลานตัวเองนะ่ะรอดหรือไม่รอดไม่รอดสักคนนะึงแล้วพวกเราจะจะรอดอะ่ะรู้เส้นใหญ่ยะฮูดีว่าฉันในเส้นเส้นใหญ่ฉันไม่ลูกลูกหลานล้องล้องลูกหลานนาบีอะ่ะใครบอกคุณอะ่ะมันลองตายดูสิก็ไม่กล้าไม่มีกล้าตายสักคนนึ่งอย่างมีอายุถึงพันปีกันกำลังหายายกันอยู่เอาต่อมาครับ อายาติเท่าไหร่นะ44อัลลอฮฺอักบารต่อมากือขอพระเจ้าอวยพรอาวัลัม يسيرو في الأرض فينظر كيف كان كيف عاقبت الذين من قبلهم أوَلَمْ َ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ ع َ ا ق ِ ب َ ة ُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن ْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ ف َ ي َ ن ظ ُ ر ُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ م ِ ن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ว่าไม่แล้ว เกิดวเดินทางก็บ้างหรือเปล่าได้เห็นอะไรบ้างเดินทางนี่อลัลลอสอนนะเพราะคนที่เดินทางเนี่ยห้ามมองเฉพาะตายอย่างเดียวนะเอาใจด้วยเวลาเดินทางเนี่ยบางคนใช้ตามองอย่างเดียวแล้วใจไม่ได้คิดเยอะไหมเยอะเอาเดินผ่านกูโบโยกตัวอย่างนะ เดินขารภูโบเนี่ยคนทั่วๆไปนะท่านไม่เรียนศาสนาเลยนะมองแค่หลุมสูงๆช่มาจ่เขาอะไรกบดินยังไแล้วก็มีไม้สองอันมองแค่นั้นอ่ะได้อะไรบ้างไม่ได้ก็ไม่ไก็คิดเลยแต่มมมินนี่อัลลอ์สอนให้มองมองคนนอนอยู่ในกูโบ่ด้วยนึกภาพ่ะมาเลกล้ามาสอบหรือไม่มามาสอบกี่เรื่องสามเรื่องต้องนึกครับ ถ้าสอบไม่ผ่านมีคอร์บอนซัดไปมีว่าไม่ขางหน้าระหว่างใบหูของเขาถ้าฝ้ายข้างหน้าหน้าเละฝ้ายข้างหลังไม่เละแล้วก็แม ม, ม, ม, ม, ม, มีมีมีแมีมแมลงป่องมีงูมีตะขาบต้องนึกภาพนั้นด้วยแล้วก็มีเสียงร้องตะโกนทุกวันอยู่ในกูบรวแล้วก็บนอลัลลอฮฺจะอยากจะ กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเ อ, อ, เ อ, อ, เ อ, อัลลอฮ์จะอัลลอฮ์รักมากแล้วอลัลลอฮ์เคยให้ใครที่ตายตายไปแล้วหนาฟืน้นขึ้นมามีเมื่อไม่มีละคนนั่งเจ็บเงียบหมดเลยอ่ะล้วบนอยากจะเป็นมุสลิมมาตอนตายทําไมไม่นึกภาพนั้นด้วยล่ะไม่ใช่ภาพอะไรไม่สองอันติดบากอยู่ท้ายซ้ายขวาแค่นั้นนั่นอัลลอฮ์ไม่มีก็ฝังซโซ แล้วก็ทีพวกเราทำผิดๆกันเยอะนะวันสุกร์ก็เอาน้ำใส่กาไปรดกูโบไม่ไม่รดรดก็ช่วยไม่ได้ของที่ช่วยได้ลูกขอดูอาให้พ่อแม่ไม่ไม่อบรมลูกให้มีศาสนาแล้วลูกมันจะขออายพ่อได้ไงอะ มันต้องนึกใหม่นะจะนึกตามปู่ย่าตายายเราไม่ได้ตำหนิปู่ย่าตายายเราบอกบางทีเขาสอนผิดๆกันเยอะอย่ามือล่าเอาการน้าไปรดน้ำช่วยอะไรอะ่ะเอาดอกไม้ไปปากช่วยอะไรอะ่ะเอาต้นไม้ไปปลูกเลยแต่ต้นไม้จะได้ขอดูอา น, นี่คิดเองทั้งหมดนะเราไม่ตัมาตำหนนะิอ่าอ่นคนี้เล่าให้ฟังเพอนะอ่าทีนี้มาดู อ, า อ, นะอุลลัสซา์ใคัมภีรกุรอาน บอกกับนบีอาวะลัมยาซีรูพวกเขาไม่ได้เดินทางหรือท่า <c oughs> นกานเดินทางเป็นศาสนาครับแล้วก็อ่านต่อไปฟิลอาดิอาเดินทางไปไหนบนหน้าแผ่นดินนี้เห็น <c oughs> อย่างครับเป็นศาสนานะที่ออกจากบ้านเนียดมาฉันทำงานศาสนาของเรา วันนี้ไปจะเจอคนสักคนหนึง่งกลเหรอผมคุยกับแท็กซี่เรื่อยนี่นับถือศาสนาอะไรบางคนก็นผมเป็นอิสลามครับอ๋อเนี่ยจานตัวฟ้าแล้วะนั่งคุยกันฮับด้วยและบางทีเจอมาเจอมุสลิมก็คุยกันบางครัง้งบางคางเขาก็ดีใจก็ว่วันนี้ไม่เก็บตังค์เก็บครึ่งเดียวเอาฮับดูดีแล้ว ต้องออกจากบ้านต้องนึกถึงฉันจะต้องการจะพูดอย่างอิสลามให้ใครสักคนหนึ่งฟังนะครับตอนนี้ออกไม่ได้ไม่อยากเนี่ยจะออไปไหนอวลัมยาซีรูฟิลอรุดพวกเขานิงกุณอ่านเตือนนะไม่ได้เดินทางนะครับตามแผ่นดินอ่าหรืออ้าไปว่าหรือเป็นคำถามนะฟายังซูรู อายาสโรรูข้างบนเนี่ยนะข้างบนเนี่ยนะอายาที่ผ่านมานะ่ยแปลว่ารอคอยแต่ยัสโรรูคานี้นะแปลว่าพิจารณามองอ้ามองอย่าอยอย่ า, ยาสับสนอ่อ่าแปลว่าจงพิจารณาไกฟากานะทิบาตุลาดีนามิโกบริฮิมคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขาเหล่านั้น แปลกลบเลยทิมก่อนนะคนที่มาพอหน้าพวกเขาหน้านัากลลบัผลลัพธ์ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเนี่ยเวลาคุณเดินทางไปนะ่ะไปดูผลลัพธ์มันบ้างปล่าไปดูประเทศก็บ้างป่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างไปเจอตึกพังๆอะ่ะอย่างไปที่อะไรนี่ที่อินเดียนะี่ยใช่งไหมล่ะมตีตึกนู้นตึกนี้ของกษัตริย์นู่นกษัตริย์นี้อะไรที่เก็บเก็บกันไว้นะ่ะ นั่นร่องรอยอะไรเหรอพิจนาดูบ้างสิหรือไปที่เดซีใช่ไหมทําไมน้ำมันเค็มจัดก่อนหน้านี้น่ะเมือม่อก่อนนี่ไม่มีน้ําเค็มแล้วมีน้ําเค็มเพราะอะไรใช้ปัญญาดูบ้างสวนยายที่อลลอห์ลงโทษเนี่ยเป็นไงเพราะปุณนี้ทรยศต่ออลลอห์อิสติกบารอนฟิลอารดีโอหังอวดีทรยศต่ออลลอห์ทั้งหมดแล้วก็เล่นงานจัดการนเดินทางทําไม ดูแค่ตายอย่างเดียวหรือนี่ตรงกระจะเตือนว่าชายปัญญาชายหัวใจคิดด้วยอ่าอย่าเดินตามมองจะมาตายอย่างเดียวบางคนผู้ฉันทําสีนามาทั่วโลกแล้วบางคนผู้ฉันกินอาหารแล้วทั่วเทศแล้วทั่วโลกเลยมาเมืองไทยกินต้มยำแล้วก็ภูมิใจก็ตรงนั้นน่ะเช็คผมนั่งกินอาหารก็เช็คบินบาส น, น่ะสามเที่ยวเลยนะซาอุดีอมามะใหญ่นนัาน เขาถามพงกสามเรื่องมุสลิมในประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วก็ตอบตอบตอบเ ร, รวก็อิสลามพรปแผ่กันอย่างนั้นถามสองคนขขเขาเขาเป็นหัวเวลเรื่องศาสนาไปหมดเห็น <c oughs> อย่างครับฮัมดูเลยเอาต่อมาครับอวัลลัมยาซิรุฟิลอารด พวกเขาไม่ได้ท่องเที Ô, ่ยวหรือว <Yeah Hey. S 2> ่าเดินทางตามแผ่นดินหรือฝายยังรูแล้วก็ดูเคยพิจารณาเคยสังเกตไหมการ์นาไกฟาอย่างไรการ์นาอาคิบาผลสุดท้ายอัลละฮีนะมิงกอบลีฮมคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก่อนหน้านบีมุฮัมมัดก่อนหน้านบีอีซามูซาด้วยก่อนหน้า สวัรค์บินึงจะบินนวะน่ยนไปเดินทางตรงนั้นน่ะไปเห็นอะไรบ้างและผลสุดท้ายมันเป็นยังไงวากานูอาชัดะดมินฮุมกูวบุคคลเหล่านั้นในอดีตเนี่ยอัลลอ์เล่าให้ฟังเองเลยนะกลัวจะคิดอะไรไม่ออกอาชัดดะแปลว่าเข้มแข็งมินฮุมกว่าพวกเขากูวแปลว่าพลัง มีพลังมีความสามารถเก่งกว่าพวกชาวมักกะต้องเป็นร้อยรอยเท่าเมื่อก่อนระยะที่เดาผ่านมาใช่ไหมคุณเนี่ยไม่ได้หนึ่งในสิบใช่ไหมจาได้หรือเปล่าอ่าคุณเนี่ไม่ได้หนึ่งในร้อยคุณไม่ได้หนึ่งในพันคนอาหรับคิดว่ารวยนะเออก่อนคนก่อนหนะ้ารวยกับคุณต่างเยอะใครรวยกว่า ก, ากอรูนรอดหรือไม่รอดไม่รอด ฟาโรเป็นกษัตริย์ด้วยคุมทหารประมาณสามหมื่นกว่าคนน่ะรอดหรือไม่รอดนี่คุณอานจะเตือนน่ะอวกาโนอาชัดดามินฮูมปูวคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขานั้นมีพลังแขนแก่งกว่าอายุเท่าไหร่รุ่นเร า, ายุนมุหมัดนี่อายุเท่าไหร่เจ็ดสิบปีหกสิบรุ่นก่อนนั้นพันปี เอออันตับสิพวกมาสองวันทีแล้วนบีนวัวเนี่ยนะตอนเยผยแพรอิสลามพวกไม่เอาอิสลามขวางเนี่ยนะก็ทำลายร่างกายแล้วเข้าใจว่าตายก็สลบไปก็เอาผ้าเนี่ยห่อเอาไปโยนทิ้งที่กองขยะสบายแล้วคนเตือนเราตายแล้วจบ เราจะได้ทำบาปกันเต็มที่นะจะได้โ อ, โอหางจองของกันต่อไปพอตื่นเชา้า้นมาหายสลบฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาขอดุอาศอัลล อ, อ ฮ, ฮฺมะฟิตลิกามีฟาอินนาฮุมลาอิยาละโอัลลอฮฺอภัยโทษนะ้วก็พวกของฉันด้วยที่เขารุมเล่นงานฉันแล้วก็เอาฉันมายโยนที่คองขะยะฟะอินนาฮุมลายละแล้วพวกเขาไม่รู้ เอลลาลอตออายุให้อีกพอเอาต่ออายุให้นะทางานทั้งกลางวันกลางคืนไม่หยุดนี่นบีนว่าอะไรวิสซลาแต่ก็คิดอะไ ร, ะไรแบบนั้นก็ต้องคิดนะรอรกษา60ปีนี่เยอะนะพ่อเนาะอย่างนะ้น70ปีนี่ก็เยอะแล้วรอไปนะครับถ้าทงานศาสนากันอย่างต้องสำรวจดูตัวเองนะ สอนเมียไหมสอนลูกมหมญาติาพี่นอ้องเราเคยสอนก็ไม่ล่ะเรามันต้องนึกอ่ะถ้าไม่ทำไม่มีประโยู่์อะไรจะเกินมาไม่ใช่มาเพื่อมากินมาอยู่หาความสุขใส่ตัวไม่ใช่แค่นั้นนะมันมากกว่านั่งอีนะคือดูตัวอย่างสุนัท่านนาบีเป็นแบบนะครับวกานูอาชัดดมินฮุมกูวพวกคนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขาเหล่านั้นนะในเตือนคนอาหรับมักกานะอาหรับมุชริกอาหรับกาเฟสเนี่ย พวกเขาเราหน้ามีพลังมากกว่ามีเงินมากกว่าอายุมากกว่าสร้างอาคารที่อยู่ใหญ่กว่าพวกคุณตั้งเยอะแยะเป็นไงครับรอดหรือไม่รอดว่ามักรนลอฮฺเลี้ยงจีซะฮฺมินชัยม์ฟิลอาร์ดีวะลาฟิสส์มะฮ์เลี้ยงจีซะไปวันหนีรอด ไม่มีอะไรในชั้นฟ้าและแผ่นดินหนีรอดการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยเป็นอย่างรครับวางแผนทําลายไปเถแล้วก็มีใครรอดสักคนหรือไม่พี่น้องอลัลลอห์ให้ตายหมดมองดูเหมือนกับไม่มีอะไรลำตายดูจะอะไรมันเกิดขึ้นอลัลลอฮ์แค่จับใส่โลงไหนะพี่น้องเอ้ยถ้าไม่อ่านกุรานไม่อ่านฮะ ด, ดิษเนี่ยเราไม่รู้เรานึกว่าตายสบายอ่ะ ไปสู่สวรรค์กังหมดแล้วใครบอกเอาต่อมาครับตุลลงว่าหนีรอดจะไม่รอดหนีไม่รอดสักคนหนึ่งนะครับอจับไสโลมันจะไปไหนรอดล่ะรลงเล็กนิดเดียวอะ่ะออรออาควานี่ทราอ่านคุรอ่านเข้าใจเข้าใจอิสลามเนี่ยนะใจเรามันจะเย็นขึ้นโอ้ัมด้วย น, ะนี่โรคโควิดมานี่สงสารพวกเราแนะ้ฆ่าทัวท้ายกันก็เยอะนะ ยิงกันก็เยอะขัดใจกันเล็กน้อยยิงกันแล้วหลวชูหลวสาวนร่โอ้โบน่มสังคมคาเฟ่เห็นอะไรเยอะนะนะครับอต่อมาครับอินหูกาอาลีมกอดีรอแท้จริงนี่เป็นสิทธิ์อัลลอ์ะสองเรื่องนะอาลีมันอัลลอ์รู้ละเอียดยิบว่าใครด่าอัลลอ์ใครด่านบีใครทาลายอิสลามใครทาลายสุนันบี ใครที่อ่านคู่อ่านไม่อ่านกู่อ่านอัลลอฮฺอัลลอฮฺอาลีมัวารู้ละเอียดยิบแม้แต่เนี่กับพิพตาในเราเรากับพิบตาในกี่ครั้งแล้วก็มองคุ่น์อ่านวันละกี่นาทีแล้วก็มองของคารองวันละกี่นาทีฟังด้วยอัลลอฮฺ แ, แฉหมดเลยในวันเกียงมากมาต่อมาครับ กอดีรอและมีความสามารถที่จะลงโทษใครก็ได้กอดีมีความสามารถต่อรอเอาจะเปนซาอนะครับอตัวมาอาจารยสุดท้ายนะครับวะลาอูยอาฮิดุลลอฮุนนับิมาคาซาบูมาตารกะอัลลอฮ์ริฮามินดบ والذي ؤ خ ر ه م إلى أ depths م س م ح فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصير الله أكبر ความส ا นึกของ ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من د ا ب ولكن ي ؤ خ ر ه ن إلى أ ج َ ل مسمى فإذا جاء أ ج َ ل ه م فإن الله ก็นับอิบะดิฮิบัซซิรอ Allah อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอายะนีนี่เรื่องยายคือประวิงเวลาไม่รีบลงโทษอยู่อัคริบแปลว่าประวิงเอาไว้มุสลิมทำผิดมีไหมมีแต่เราเนี่ยดีอย่างหนึ่งทำผิดนบี สอนในดาวตาว่าวใช่ไหมในสุร้ น, นี่แหละที่ว่านมุหมินจะไปสวรรค์หมดอินชาอัลลอ์มุมินที่มีอาวุธน้ำนี่มัมีนะมุหมินที่ขาดนมาดมุหมินอัลลอ์อับลบมีหมดแล้วแต่ว่าคนมุหมินอัลลอ์เมตตาอ่าเมตตา ไ, ไปสวรรค์หมดอนนสบาจใจนิดนะแตอย่าเลืงนะ ฉันได้ไปสวรรค์แน่ทิ้งนมาได้แล้วโอ้โหยาชาย า, ยายให้นอบนอบ้น อ, บอมถ่อมตนเหมือนนบีจนกว่าจะตายนั่นแหละเอา้าตอนนบีจะเสียชีวิตนบีสั่งอะไรรูว่าต้องจำนะอัลสลัอัลสลันามาดนะนามนา ม, มาดยาขาดนะนา ม, มาดยาขาดนะเห็นไหมว่ามามลักาตไอมานุกุมแล้วก็ดูแลคนใต้บรรทัพบรรคาท่าของท่านนี่ยดูแลให้ดี ดูแลภรรยาดูแลลูกให้มีอิสลามให้่มีอย่ายงอื่นพาไปาให้มีชริกติดตัวไว้นี่เป็นห่วงความเป็นห่วงของท่านนะีเห็นยังรครับว่าเ้าอยู่อาขิดุลอหุนาลาวไปว่าท่าหาว่าไปวันละนะีย่ยยูอาขิดุไปว่าลงโทษถ้าหาอัลลอฮ์ลงโทษ อันน้าสัญางมาเด็กผู้รัมมินมุสลิมคาเฟ่ด้วยนะมนุษย์ทั้งหมดบนโลกบน ญ, ญาไปนี้นะลงโทษทำไมตอนทำผิดถ้าหากอัลลอฮจะทรงลงโทษหรือว่าทำลายมนุษย์ทั้งหลายตามความผิดของเขาเห็นไหมตรลงว่าคนทำคนทผิดเนี่ยอัลลอฮเอาโทษนะ ไม่เอาโทษแพะแจกัวควายไม่เอาโทษเพราะอาลัลลอฮ์ไม่ได้ให้ปัญญามันมาแต่อรลลอฮลงโทษมนุษย์เพราะอาลัลลอฮ์มนุษย์ให้ปัญญามนุษย์มาให้สติปัญญาให้ความรู้ด้วยสามารถเรียนได้ด้วยตกลงว่าสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดบนโลกใบ น, นี้ไม่มีใครเกินหน้ามนุษย์ใช่ไม่ใช่ เ้าก็ต้องนึกอัลลอฮล้วทำอลัลลอฮ์นี่เมตตาฉันนะเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเองทําผิดเองถูกลงโทษแน่ <c oughs> อย่าทําอะไรผิดนะพี่น้องไอ้ผิดไม่รู้ขอ อ, อุทิศอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ฉันด้วยจะขออุทินะอย่าเย่อหยิ่งจองของฉันถือบวดได้เมื่ต้องขออุอิศใครบอกคุณนะนบียังขออุทิอัสตัฟุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ นั่งประชุมนบีไม่พูดอัสตัคบรุลลอห์อัสตับรุลลอ์อัสตับรุลลอห์อัสตัรุลลอ์อัสตัรุล ล, ลอ์ข่อยเยอะบับลู บ, ล บ, ลลบัมีอัสตัคบรุลลอห์เนกบีมะกะซาบูเนความผิดที่พวกเขาขวนขวนขวายเห้ยไมที่พวกเขาปฏิบัติตัวลงว่าความผิดของมนุษย์ที่ทำอะไรผิดไว้บนโลกใบนี้นะ อัลออรู้แลไม่รู้หลงถูจะลงโทษไหมลงแน่ๆครับแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้นเองยกเว้นคนที่เต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮนะครับมาตา ร, รอกาอัลลอฮริฮามาแปลว่าไม่ตารอกาแปลว่าให้หลงเหลืออยู่จะไม่ทิ้นเอาไว้สักคนหนึ่งอัลลอ ร, ริฮาาบนผิวแผ่นดินนี้ มนดาบตินดาบาประวัติร์รวมไปถึงอะไรนะตรงนี้ครั้งเราพูดดาบาเนี่ยแปลว่าสัตว์แต่อุลมามะหลายคนแปลว่ามนุษย์จะไม่เหลือมนุษย์เอาไว้สักคนหนึ่งบนหน้าดุนยาใบนี้เวลาเขาทำพิษอัลลอฮ์จะรีบลงโทษเลยแต่นี่เล่าให้ฟังอ่ะไม่ลงโทษให่ไหมถ้าลงโทษน่ะเหลือได้ไหมเหลือ ไม่เหลือสักคนหนึ่งยุคนบีนัวตายเรียบไหมคนที่รอดคนที่ขึ้นเรือใช่หรือไม่ใช่อเห็นอย่างบ้างนะแต่ยุคนบีมุฮัมมัดคนทําชั่วเยอะมาเยอะทํำไมไม่ลงโทษเพราะนาบีขอดูอาว้อัลลอฮฺจะอย่าเพิ่งลงโทษอุมมะของท่านอุมมะของฉันเนี่น่ะจะมีเท่าไหร่ก็ตามอย่าเพิ่งลงโทษนะเวลาเขาทําอะไรผิด ประวิงเวลาเอาไว้ก่อนผู้อ่างอธิบายต่อที่ประวิงเวลาไว้มาสองอย่างนะให้เขาตอบ้าตัวหรือไม่ก็สะสมความผิดไปเยอะๆว่ละกี uh um. อยู่อัคคีรหุม อ, อ, อยู่อัคคีตรงนี้ต่างหากเนี่ยอายานีนะท่องจำสท์ด้วยนะอยู่อัคคีแปลว่าประวิงพวกเขาเอาไว้วาลาลิกแต่ว่าอลัลลอฮไม่รีบลงโทษ แต่เอาล็อกประวิงเวลาพวกเขาเอาไว้ไม่ไปรียบลงโทษนะกี่วันครับอายาลิมมุซัมมาเวลาที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วตัวลงวามีหรือไม่มีโทษมีครับแต่ส่วนใหญ่นะอลัลลอฮ์ก็จะประวิงเวลาให้โลกเดียวโลกอะไรครับโลกดุนยาเอาไปกินให้เอ็มทําดินากันให้เพลินเมากันให้เต็มที่ วางแผนทำลายอิสลามไปเถอะวางแผนทำลายสุนนนบีไปเถอะวางแผนทำลายคุรานไปเถอะวางแผนทำลายฆ่าพี่น้อง ม, มุสลิมทั่วโลกเถอะเชิญตามสบายแต่เองมีโทษแน่โทษของคุณที่วางแผนชั่วนะกลับมาหาคุณหมดเลยนะเมื่อไรครับอิลัยอาจาิมมุซัลมาเวลานี่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเขาเรียกว่าอาญาเนี่ยอ่า คนลงโทษมีไหมมีครับเมื่อไรครับเอาล็อกกำหนดเอาไว้เอ็กเราไม่รู้ครับแต่ส่วนใหญ่ก็หลังตายแค่จับใส่โลงเท่านั้นแหละโวยแล้วเอ็งพาฉันไปไหนเอ็งพาฉันไปไหนนี่คนอ่านพี่น้องที่เตือน ฟาอิซาจาอาอาจาลูฮ์เนี่ยอาด่านเมื่อเวลากําหนดวรรคกาหนดที่ถูกกําหนดเอาไว้จะต้องถูกลงโทษมานะเลี่ยงไม่ได้เลยสักหนึ่งนาทีก็ไม่เลี่ยงเอาล้อไม่ยกเว้นแล้วเพราะบนดุลยานี่ให้เวลาตั้งเจ็ดสิบปีทําไมไม่ใช้ปัญญาทําไมไม่ใช้สมองทําไมไม่เรียนาศาสนาทาไม่อ่านคุรานทําไมไม่เรียนสุนานะนบี ให้เวลามาถึงเยอะแยะกันหมแล้วใช่ไหมแล้วก็เล่าเรื่องเก่าๆใ ห, ให้ฟังัึงเยอะแยะนั่นกัเรื่อุราานตดลองว่าอาซาบมีไหมมีเมื่อ ไ, ไรครับอลลอรู้นแต่เป็นผู้เดียววักสุดท้ายตัอินอลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นกาณาบีอิบาดีเบาของอัลลอฮ์ทั้งหมดเจดพันล้านอยู่ขณะนี้นะครับบาซีรอเห็น เห็นเคลื่อนไหวทําอะไรในบ้านก็เห็นเข้าห้องน้ําเข้ายังไงอัลลอฮ์ก็เห็นเองเข้าห้องน้ําไม่ถูกต้องตามอินนบีสากคนนึงดูสิมันเข้าเข้าเท้าขวาดูอ้ามันก็ไม่อ่านนี่ยมันนอนกับเมียมันดูอ้ามเนี่ยก็ไม่อ่านะดูดูมันทำเงสิบาซีรอเห็นหมดเลยมาบาอัลลอฮ์เบียบอาดีฮีอัลลอฮ์พูดเองนะ เาให้ น, นบีฟังใิจีบรีมาบอกกันนบนบีไปบอกกับประชาชนอัลลอน่ะเห็นเบาของพระองค์นเบียยอิบาดีฮ์บอสซีรอมาซึ่งบอกว่าเห็นโดยไม่ต้องใช้ใช้ตาก็ได้ <c oughs> อัลลนี่พอ อ, ลลอาลเลออิมานเพิ่มไหมเพิ่มครับฉะนั้นสองสามมายา ว, วันนี้เตือนเรานะกับตัวซะทำอะไรผิดคนที่ด่าอิสลามเชิญด่าต่อไป แต่มุสลิมอย่าไปขวางเลยคนที่ขวางมันรอดไมหมล่ะมันก็เล่นงานยิฮูดีมก็เล่นงานส่งส่งคนนั้นมาอุ้มคนนี้ระวังระวังคนที่วางแผนฆ่านาบีมูฮัมมัดคนจะวางแผนฆ่าสวฮาบานนบีแลว้วก็ตามตจนะครับจะถูกอุ้มแบงใครที่ถูกอุ้มที่ขเมนะชื่ออะไรผมติดตามข่าวตลอดนะเพ่อจะเข้าใจกุรอานวันอะไรอยู่ในเมืองไทยเนี่ย ไปไปีพาอยู่แต่เนะ่ถูกอุ้มไปแล้วไปดาใครกนก็ด่าพวกเราเองนี่แหละนี่ด่าอัลลอฮเาจะเว้นน่ะนี่มนุษย์ยังเริ่อุ้มแล้วนี่ ด, า ah, ดาา่าอัลลอฮ์ดา่านบีด่ากูรานด่าสุนนะนบีอัลลอฮ์จะปล่อยเหรอไม่ปล่อยครับแต่นี่เป็นต้นแต่อัลลอฮ์ไม่อุ้มให้คนเห็นนะนั่นแหละก็ขอถอายต่อลลอนะครับให้พวกเราเนี่ยอิสติกบัตต่ออ ah, ัลลอฮ์เยอะๆนะก่าว่าง่ายนะ Astaghfirullah, stang ye, ye, lantang apaik, kon ye, ye, ọtuln ye, ye, sujud ye, ye, al Quran, z i k r u l l a h s a m a n g semer. Subhanallahumma, bihamdika s h o l a i l a h a i l l a h anta astaghfirka u wa a tuhbi laik. Alhamdulillah.